m เรานะถ้าจะให้แบกอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากแบกเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเบานะเป็นโต๊ะเก้าอี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากแบกในพูดนี้หมายถึงร่างกายนะแต่ถ้าจิตใจเนี่ยตรงกันข้ามเลยใจนี่มันชอบแบกชอบยึดอะไรต่างๆมากมาย เรียกว่าแบกยึดะตะพึ่ตะพือไม่ว่าจะเป็นของเบาหรือของหนักรถยนต์เอวยบ้านเอยนะแม้แต่แหวนเพชรหรือซ้อยทองนะแล้วก็ไม่ใช่แต่รูปธรรมนะนามธรรมด้วยก็ยึดนะนามธรรมก็ได้แก่ความคิดนะความเชื่อ คิดอะไรก็จะไปช่วยไปยึดความคิดนั้นใครมาแตะมาต้องก็ไม่ได้นะม้จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการทำครัวคนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเค็มกว่านี้บางคนก็เถียงว่ามันเค็มมากไปแล้วนะก็เถียงกับเรื่องนี้ก็มี เพราะว่ามันเป็นการยึดในเรื่องความคิดจะเป็นเรื่องความคิดเล็กๆน้อยๆหรือความคิดที่มันสลักสำคัญยังไงก็แล้วแต่ก็ยึดเป็นหมดความคิดที่สลักสำคัญก็อาจจะเป็นเรื่องลัทธิอุดมการณ์หรือศาสนาก็สามารถจะฆ่ากันตายได้นะเพราะว่า ความคิดที่แตกต่างกันพอมนแตะมาต้องศาสนาของฉันพอมาแตะมาต้องอุดมการของฉันนะหรือบางทีไม่ต้องแตะต้องหรอกเพียงแค่เห็นคนหนึ่งเขาคิดไม่เหมือนเรามันก็รู้สึกว่ามากระทบกระแทกสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราถือเอาไว้ก็เกิดความขุ่นข้องมองใจกัน เกิดความรู้สึกเป็นคนละพวกแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ถึงขั้นทะเลาะวิวาดแล้วก็ลงไม้ลงมืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของความยึดนะเป็นเรื่องของการแบกเราดเราแบกทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา และแม้แต่สิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเราก็ยังแบกนะอันนี้หมายถึงใจนะให้ร่างกายเนี่ยนะถ้าแบกหินเนี่ยมันก็ไม่อยากแบกหรอกหรือถึงแบกก็อยากจะปล่อยอยากจะวางเร็วๆ เ, เพราะมันเหนื่อยมันหนักนะไอ้ส่วนเรื่องนามธรรมเนี่ยหรือแม้แต่วัตถุธรรมก็ตามพอจิตไป่วยไปยึดไปแบกเข้านะมันไม่อยากจะวางนะ แล้วขึ้นชื่อว่าแบกแล้วเนี่ยมันก็ตามมาด้วยคำว่าหนักแม้แต่สิ่งที่แบกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เบาก็ตามแหวนเพชรสร้อยทองก็เบานะแต่พอแบกแล้วก็มันกลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีเช่นเกิดความรู้สึกหนักอกหนักใจนะเพราะว่าต้องคอยห่วงต้องคอยแหนต้องคอยรักษานะ วางไว้ที่ไหนก็รู้สึกกังวลว่าจะมีคนเห็นไม่จะมีคนเอาไปหรือเปล่าแม้แต่เก็บซุกไว้อย่างดีที่บ้านนะก็ยังห่วงก็ยังกังวลไอ้ความห่วงกังวลเนี่ยก็เรียกว่าความหนักอกหนักอกห น, นักใจอย่างหนึ่งนะก็เียเป็นความทุกข์แต่ที่จริงมันหนักอกหนักใจตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มาแล้วยึดนะอยากอยากได้ พออยากได้นีมันก็จะยึดเอาไว้ในใจแล้วคิดหาหนทางว่าจะได้มาอย่างไรอันนี้มันก็ทุกข์แล้วนะและพอลงมือก็เหนื่อยเหนื่อยออกับการหามาซึ่งบางทีก็ต้องแย่งชิงเพราะของมันมีน้อยใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นไอ้ตอนที่พยายามอยากพยายามที่จะได้มามันก็กังวลวิตกว่าจะได้มาไหมมันก็เป็นความหนัก อ, อกตนักใจเหมือนกันนะ เพราะว่าพอมีความอยากแล้วไม่ว่าอยากอะไรก็ตามก็จะกลัวว่าจะไม่ได้ยิ่งอยากได้ก็กลัวไม่ได้ไอ้ความกลัวว่าจะไม่ได้มันก็ทาให้เป็นทุกข์นะเกิดความหนักอกหนักใจเหมือนกับเด็กที่จะเด็กที่เข้าห้องสอบนะหรือว่าก่อนเข้าห้องสอบ้วยซ้ำนะอยากสอบได้อยากข้ามาไล่ได้มันก็กลัวว่าจะไม่ได้ เกิดอาการเกงเกิดกลายวิตกนะตัวบางทีนอนไม่หลับก่อนวันเข้าห้องสอบอันนี้เรียกว่ายึดเมื่อไร่ก็ทุกเมื่อนั้นนะแบกเมื่อไหรก็หนักเมื่อนั้นนะอย่ว่าแต่การแบกในใจเลยนะการแบกหรือการถือด้วยกายแม้แต่กระดาษนะ กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยซึ่งดูเหมือนเบาถ้าถือไว้ น, น, นานๆมันก็หนักนะแก้วเนี่ยที่ไม่มีน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักอะไรเลยเบาจะเป็นแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษแต่ถ้าเราลองถือเอาไว้ถือไว้ น, น, นานๆนี่มันจะเมื่อยนะอันนี้ก็เรียกว่ามันกลายเป็นของหนักขึ้นม า, าใจเราก็เหมือนกันนะแม้เราจะไปแบกระยึดในสิ่งที่มันเป็นนามธรรม แบกไปแบกไปก็กลายเป็นของหนักขึ้นมาได้นะเพราะมันจะตามมาด้วยความวิตกกังวลบ้างความกลัวบ้างความสงบนะใครๆก็อยากได้นะแล้วเรามาปฏิบัติก็เพื่อความสงบแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันไม่สงบสักทีจิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยก็เครียดนะเกวดความ หงุดหิดเกิดความวิตกเกิดความทุกข์ขึ้นมาตรงข้ามคนที่ปฏิบัติโดยที่ไม่ได้คาดหวังความสงบคนที่เขาไม่ได้มีความนึกคิดหรือว่ายึดอยากว่าจะต้องได้ความสงบเนี่ยฟุงงซ่านเขาก็เฉยๆไม่ได้ทุกร้อนอะไรแต่พออยากได้ความสงบขึ้นมานี่แล้วไม่ได้ หรือยังไม่ถึงก็จะมีความวิตกกังวลเกิดความทุกข์ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเออทีแรกก็ไม่ได้คิดอยากได้อะไรมาปฏิบัติก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ก็ปฏิบัติไปสบายๆแต่พอครูบาอาจารย์พูดว่าให้มีความรู้สึกตัวต้องทำความรู้สึกตัวให้ได้ฟังไปฟังไปเอออยากได้ แล้ปฏิบัติแล้วมันยังไม่ได้อตอนนี้ทุกข์ละเมื่อวานนี้ก็ไม่ทุกข์เลยแต่วันนี้ทุกข์ซะละทั้งๆที่จิตใจก็ยังเหมือนเดิมก็คือว่าฟุ้งบ้างรู้ตัวบ้างหลงบ้างเมื่อวานนี้ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรแต่วันนี้กลายเป็นทุกข์ซะละเพราะความแตกต่างอย่างหนึ่งคือมันมีความยึดความอยากถึงตอนนี้แหละมันก็แบกเอาไว้ แบกความคาดหวังนะแบกความคาดหวังแลวสมมติว่าได้มานะเช่นได้ความสงบวันนี้ปฏิบัติ ด, ดีมากเลยก็เกิดติดใจพอพรุ่งนี้ไม่ได้นี่น ะ, ะบางทีบางถึงกับเศร้าเสียใจเลยนะยทำไมเมื่อวานนี้ฉันได้ทำไมวันนี้ไม่สงบละเมื่อวานนี้สงบดีมากเลย เกิดความเศร้าเสียใจบางทีพยายามเค้นพยายามทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้กลายเป็นท้อก็มีอันนี้เพราะอาการที่ไปแบกเอาไว้แบกความคาดหวังหรือว่ามันเพราะมีความยึดความอยากอยากได้ความสงบก็เลยยิ่งไม่ได้ยิ่งห่างไกลหลวงพ่อเทียนท่านึงสอน แล้วก็แนะวันเนี้ยให้ทําเล่นๆนะจะไปทําด้วยความอยากเพราะพออยากแล้วมันก็จะยึดแล้วนั้นก็ไปสู่การแบกนะแม้สิ่งนั้นจะยังไม่ได้มามันก็มีความคาดหวังมีความอยากแล้วคนเราพอแบกความอยากแบกความคาดหวังแล้วมันก็หนักเหมือนกันนะมันนําไปสู่ความทุกข์ทุกข์ทั้งตอนที่ยังไม่ได้มาแล้วก็ทุกข์เมื่อได้มาแล้วนะ ไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่แต่เฉพาะไอ้สิ่งที่อยากได้นะหรือว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเราจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะรถยนต์บ้านคนรักรนะที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเช่นความสงบนะตลอดจนความเชื่อความคิดเห็นเรื่อง ศาสนาเรื่องอุดมการนะไอ้พวกนี้มอในแง่หนึ่งมันก็มันก็มีเหตุผลนะที่เราที่เราแบกเอาไว้เพราะมันเป็นของดีให้ความสุขกับเรานะทนบัตรเนี่ยนะมันก็เบานะแหวนเพชรสร้อยทองบ้านรถยนต์คนรักพวกนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะที่ยึด เอาไว้หรือแบกเอาไว้เพราะเป็นของที่ให้ความสุขกับเราธนบัตรนี้ก็เอามาใช้นะซื้ออาหารเครื่องดื่มหรื อ, อใช้ในการท่องเที่ยวมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ผู้คนแสวงหาแต่สังเกตไหมบ่อยครั้งเราก็ไปยึดไปแบกบแม้กระทั่งสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเรา เช่นอารมณ์โกรธนะความโกรธความเกลียดจิดแม้กระทั่งคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดเราโกรธใครเราเกลียดใครเราก็จะนึกถึงคนนั้นบ่อยๆนะจริงทางแค้แล้วเนี่ยมันจะวางไม่ได้เลยมันจะไม่ยอมวางไปจากใจเลยคนที่โกรธนะคนที่เราโกรธเนี่ยคนที่เราเกลียด ด่าว่าเราทรยศหักหลังเรานอกใจเรานะหรืออักตันอยู่ในละคุณกับเรายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งยึดยิ่งแบกทั้งคนคนนั้นทั้งการกระทําของเขารวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเขาเช่นความเจ็บความปวดความโกรธความเกลียดความเศร้าก็เหมือนกัน ความสูญเสียพัดพรากไม่ว่าจะเป็นคนหรือของหายไปแล้วเสียไปแล้วก็เศร้าใจเสียใจก็ยังเก็บยังยึดความเศร้านั้นเอาไว้ในใจทําไม่ดีกับคนรักเพอด่าว่าท่านขึ้นเสียงกับท่านหรือว่าไม่ได้ไปงานศพของคนที่เราเป็นเนี้บุญคุณเสียใจ นะเพราะตอนนั้นเอาเวลาไปเที่ยวนี่บางทีอาจจะไม่รู้โดยสัว่าโอเขาตายแล้วไปเที่ยวในงานในในวันเดียวกับที่เผาศพพอมารู้ก็เสียใจนะีผ่านไปสิบปีก็ยังไม่คลายความรู้สึกนั้นนึกถึงทีไรก็เศร้าใจนึกถึงทีไรก็รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดนะให้อารมณ์เหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเหมือนอรถยนต์บ้านนะแต่ทำไมเรายังยึดเอาไว้นะทำไมเรายังแบกเอาไว้นะมันเหมือนกับเป็นการซ้าเติมทำร้ายตัวเองแล้วพอยึดหรือแบกมันเอาไว้นะมันจะกลายมามีอำนาจเหนือเรานะมันจะกลายเป็นนายเราเช่นเวลากโกรธเนี่ยนะ มันก็จะสั่งให้เรานะสั่งให้เราพูดสั่งให้เราด่านะสั่งให้เราพูดไม่ดีกับบุปการีนะกับลูกที่เรารักหรือว่าบางทีก็ถึงขั้นทำร้ายเข้าของที่เราโปรดปรานหรือหวงแหนหรืบางทีก็ทาร้ายคนทุบตีเขาเอะไรก็ตามที่เราไปยึดมัน มันจะมาเป็นนายเราทันทีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของที่ให้ความสุขกับเราหรือทําความทุกข์ให้กับเรามันจะมายานาจเหนือเราทันทีถ้าไปยึดว่าบ้านของเราบ้านของเรายึดนะแบกมันเอาไว้เนี่ยพอมันเกิดรั่วพอลังคารั่วหรือว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาโอ้ บางทีจะเป็นจะตายให้ได้ไม่ต้องบ้านก็ได้สรนะ้อยทองแหวนเพชรนะหรือว่าเงินโจนมามาป้นบอกเอาเงินมาเอากระเป๋ามานะบางคนนะยอมตายเพื่อรักษาเงินเอาไว้ยอมตายเพื่อมันได้ไฟไหมไฟไหมบ้าน ก็พยายามเพียฝ่ากองไฟเข้าไปนะเพื่อไปเอาเงินเอาเพชรพลอยนะที่ไว้ในตู้ออกมาจอมเสี่ยงอันตรายเพิ่มมันแล้วบางคนก็ตายเพื่อมันจริงๆอันนี้เรวก็ว่ามันเป็นนายเราแล้วนะทีแรกเรามีมันเราคิดว่าเราเป็นนายมันบอกว่าพอไปยึดไปแบกมันเข้ามาเป็นนายเรา ไม่ใช่เฉพาะของดีของที่ให้ความสุขกับเรานะของที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ยอมเป็นทาสของมันเหมือนกันปล่อยให้มันเป็นนายเราพอโกรธเข้าเนี่ยความโกรธมันสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทำนะแม้กระทั่งจะเป็นสิ่งที่แย่ yeah. ความโลภนะพอมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็สามารถจะสั่งให้เราทําชั่วเช่น ลักขโมยคดโกงคอร์รัปชันก็ได้หรือบางทีแม้กระทั่งฆ่าผู้มีพระคุณเช่นฆ่าพ่อแม่เพื่อเอามรดกนะอย่างที่เคยมีข่าวเอารมณเหล่านี้เนี่ยมันเป็นนายเราหลายอย่างนะนอกจากมันสั่งให้เราทํานั่นทนํานี่เพื่อสนองตัวมันแล้วเนี่ยมันก็ยังนะพยายามที่จะสั่งให้เราเนี่ยรักษาห่วงแหนมันเอาไว้ คนเวลาโกรธเนี่ยนะใครมาบอกให้ปล่อยวางมาแนะนำให้อภัยนี่โมโหนะโมโหคนแนะนำมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เล่านะเขียนมาเล่าทำนองปรึกษาว่าแม่เนี่ยแม่ที่เป็นคนดีมากเลยเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อใจเย็นแต่ว่าเจ็บแค้เรื่องเรื่องหนึ่ง เจ็บแค้นคนคนหนึ่งเคยช่วยเหลือแล้วเขาหักหลังเขาอากตันอยู่ในละคณกโกรธมากนะโกรธเกลียดคนนี้มากผ่านไปยี่สิบปีก็ยังไม่คลายความโกรธในเวลาพูดถึงคนคนนี้ก็จะโมโหามากนะและมันไม่ใช่แค่นั้นแกก็มักจะพูดถึงคนคนนี้อยู่บ่อยๆพูดซ้ำพูดซาก พูดแล้วพูดเล่านะพูดแล้ ว, นะลวตัวเองก็เป็นทุกข์นะแต่ก็ยังไม่หยุดพูดนะแม่เนี่ยก็อลูกเนี่ยก็ขอร้องว่าให้แม่เนี่ยปล่อยวางให้แม่ให้อภัยแม่กับโกรธลูกนะลูกนี่ก็เลยกลุ้มใจว่าถ้าแม่มีความโกรธความแค้นแบบนี้ แล้ววางไม่ได้พอตายเนี่ยมันจะไปอบายนะลูกกลัวว่าแม่จะไปอบายนะเพราะว่าไม่ปล่อยไม่วางไม่รู้จักให้อภัยสักทีให้ความโกรธเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยแล้วมันคลองใจเราเพราะไปรอไปยึด ไ, ไปแบกมันเอาไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะสรรหาเหตุผลเพื่อที่จะมารองรับเอาไว้ เป็นคนที่โกรธเนี่ยเขาก็จะมีเหตุมีผลนะว่าทําไมต้องโกรธทําไมควรโกรธไอเหตุผลที่มาจากไหนมันก็มาจากไออารมณ์โกรธที่มันไปไปครอบงําความคิดของเราให้สรรหาเหตุผลข้ออ้างเพื่อที่จะมารองรับสนับสนุนความชอบธรรมว่าทำไมต้องโกรธทําไมควรโกรธอารมณ์เร้อนที่พอมันคลองใจแ ล, แล้วเนี่ย มันก็จะควบคุมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเราแล้วก็คอยใช้กายวาจาใจของเราเนี่ยเพื่อปกป้องรักษามันเอาไว้แล้วก็ดูแลให้มันอยู่ไปเรื่อยๆมัน ค, คล้ายๆกับพวกไวรัสนะไวรัสเนี่ยพอมันหาทางเข้ามาในร่างกายเราได้เนี่ยมันจะเข้าไปในเซล พอมันเข้าไปในเซลของของเราแล้วเนี่ยมันก็จะสั่งให้เซลเนี่ยผลิตตัวไวรัสคือผลิตซ้ําตัวมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันสั่งได้เนาะไวรัสเนี่ยมันไปควบคุมให้เซลเนี่ยผลิตตัวมันซ้ําจาก1ตัวเป็น2ตัวสมตัว4ี่ตัวจนกระทั่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจนแน่นเซลต้นเซลล์ต้องแตกระเบิดแล้วมันก็จะได้ท่องเที่ยวเข้าไปในร่างกายตามเสล์ตามกระแสะเลือด แล้วเข้าไปเข้าไปในเซลล์ตัวใหม่แล้วก็สร้างสั่งให้บังคับให้เซลล์สร้างตัวมันขึ้นมาเป็นเช่นนี้เรืลายไปจกนกระทั่งเราล้มป่วยและอาจถึงตายอารมณ์เหล่านี้ก็เหมือนกันนะความเศร้าก็เหมือนกันเวลาเศร้าเนี่ยนะเราก็อยากจะจมอยู่ในความเศร้าไปเรื่อยๆคนพอเศร้าเนี่ยไม่ค่อยอยากจะฟังเพลงสนุกสนานมันจะฟังแต่เพลงเศร้าๆเวลาเพื่อนชวนไปเที่ยวไม่ยอมไป จะข อ, อนั่งเศร้านั่งซึมเจ้าจุบอยู่ที่บ้านบางทีโกรธเพื่อนนี่นะถ้าบาง ท, ทีเพื่อนก็หวังดีเขาอยากช่วนให้เราเนี่ยไปเที่ยวจะได้ปล่อยจะได้วางคลายจากความเศร้าแต่ความเศร้ามันจะไม่ยอมความเศร้ามันจะสั่งให้เราเนี่ยอย่าไปนะความเศร้ามันสั่งเราอย่าไปอย่าไปเที่ยวนั่งตรงนี้แหละกูได้เศร้าต่อไปเรื่อยๆนะ นี่มันครอบงามเราถึงขนาดนี้นะอารมณ์พวกนี้เพราะอะไรเพราะไปแบกมันเอาไว้แล้วทําไมถึงแบกทั้งทั้งที่เป็นทุกข์นะก็เพราะความไม่รู้ตัวเพราะความลืมตัวเพรอลืมตัวแล้วเนี่ยเราก็ไปยึดไปถือไปแบกไปทําในสิ่งที่มันเป็นการทําร้ายตัวเองร่างกายนี่นะถ้ามันแบกอะไรก็ตามถ้ามันหนักนี่มันวางเลยนะ แต่ใจเนี่ยนะแบกอะไรก็ตามแม้จะทุกข์เพียงใดมันไม่ยอมวางนะมันมันก็ซ้ำเติมตัวเองทำร้ายตัวเองเพราะความไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่นี่มันวางเลยนะรู้ตัวเมื่อไหร่มันวางคนเวลาโกรธเนี่ยพอรู้ตัวเขาะนะมันหายโกรธเลยนะแต่ปกติจะไม่ได้รู้ตัวด้วยตัวเองต้องมีคนมาเตือนต้องมีคนมาแนะต้องมีคนมาทัก พอคนมาทักปุ๊บนี่โอ้มันมันหลุดเลยนะพอรู้ตัวม่แล้วมันหลุดเลยความเศร้าก็เหมือนกันไอ้ความรู้ตัวเนี่ยสำคัญไอ้ความรู้ตัวนี่มันก็แต่ว่าถ้าไม่มีปัจจัยภายนอกมามามาช่วยเนี่ยนะมันต้องอาศัยตัวสติที่จริงปัจจัยภายนอกเช่นคนทักเนี่ยมันก็มีผลทําให้เกิดได้สติขึ้นมานะ พอได้สติปุ๊บเนี่ยมันรู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บนี่มันวางนะสติทําให้จิตกลับมาอยู่กันเด็กกับตัวจากจิตที่มันเคยไหลไปดีลอยไปนาคจมอยู่ในอารมณ์นะเข้าไปเป็นเี่พูดง่ายเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นผู้กลัวเข้าไปเป็นผู้เศร้าเนี่ยนะนะพอมีสติปุ๊บเนี่ยนะสติมันจะช่วยดึงจิตออกมาจากภาวะอารมณ์นั้น ดึงจิตกรรมมาอยู่กันเนื้อกับตัวก็เกิดความวัสดุตัวขึ้นมันก็วางเลยนะไอ้ที่เคยแบกๆเอาไว้เป็นบ้าเป็นหลังมันวางสติมันคือความระลึกได้นะคือความรู้เท่าทันตัวเรียกว่าเห็นก็ได้นะเห็นพอมีสติปุ๊บมันเห็นอารมณ์เลยถ้าไม่มีสติมันเข้าไปเป็นนะความทุกเนี่ยนะถ้าเห็นนะดีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย เข้าไปเป็นนะแทนที่จะเห็นทุกข์ก็เป็นทุกข์นะแทนที่จะเห็นความโกรธเป็นผู้โกรธสติที่มันช่วยที่เห็นได้เนี่ยเราก็เรียกยันว่ามันรู้ทันรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเรามีเวลาถูกอารมณ์ครอบงําใจนี่เราไม่ค่อยรู้ตัวนะแต่ว่าถ้าเรามีสติเราก็จะรู้รู้ทันอารมณ์นั้นแล้วก็วางมันได้ได้ไว แต่การจะรู้ทันอารมณ์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าเราเราถูกมันครอบงำนะจนจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาจนมันมีอํานาจเหนือใจเราจะไปรู้ทันบางทีก็ยากแต่มันมีตัวช่วยอย่างหนึ่งนะที่จะช่วยทําให้เรารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ได้ก็คือมารู้กายนะมารู้กาย สังเกตไหมเวลาเรามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเช่นความโกรธเนี่ยร่างกายมันจะฟ้องร่างกายมันจะบอกหรือมันจะมีอาการที่กายเ <c oughs> ช่นหายใจทีแล้วก็สั้นหัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อเกรงหน้านิ้วคิออ้วขมวดเวลาเศร้าก็เหมือนกันนะเวลากลัวก็เหมือนกันวิตกกังวลก็เหมือนกันมันจะมีอาการที่กาย <c oughs> แล้วก็แตกต่างกันไปนะ จะส่งผลต่อกายแตกต่างกันไปนลกพยษศาสตร์เดี๋ยวนี้เข้าไปเขพบแล้ว น, นะเขาศึกษาพบว่าคนที่มีความวิตกกังวลหรือมีอารมณ์ต่างๆเช่นกลัวโกรธกลัวเศร้าแค้นเวลาเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะมีสีต่างๆกันในร่างกายคล้ายๆว่าพลังงานที่มันออกมาเนี่ยจากอารมณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อกายทํำให้ มีพลังงานออกมาแตกต่างกันไปแต่ว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนใดหรอกใจเราเนี่ยสามารถจะรับรู้ความผิดปกติหรือความเปลี่ยนแปลงที่กายได้ขอให้สังเกตและถ้าเรารู้กายนะมันก็จะรู้ใจหรือรู้อารมณ์ที่สืบเนื่องกันได้อันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะเวลาใครโกรธมากๆเนี่ยลองสังเกตดู เวลาโกรธแล้วไม่รู้จะทำจะทไงกับความโกรธนะอันนี้เป็นปัญหาของหลายคนว่าโกรธแล้วเนี่ยอยากจะระงับความโกรธทำยังไงนะก่อนจะระงับต้องรู้ทันมันก่อนแต่รู้ทันอารมณ์อาจจะยากหน่อยก็มารู้ที่กายเช่นนะเวลาโกรธมากๆไม่รู้ทำไงก็ลองกลับมาตามลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆหรือว่าไม่ทาอย่างนั้นก็แต่แตให้มาสังเกตกายว่าตอนนั้นกายเป็นอย่างไร หัวใจเต้นเร็วหน้านิ้คือความหมวดนะหรือว่าเบ้มริมฝีปากเม้มปากนั่นกำมือเนี่ยแค่รู้เท่านี้แหละนะมันช่วยทําให้รู้ใจรู้อารมณ์แล้วก็ทําให้ปล่อยวางได้อันนี้เป็นเป็นตัวช่วยเป็นวิธีที่ง่ายนะสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าจะไปรู้ทันอารมณ์ทีเดียวรู้ทันความโกรธเห็นความโกรธมันยากเห็นความโกรธยากก็จริงแต่เห็นกายที่กําลังโกรธเนี่ยมันง่ายกว่า เห็นความกลัวจะยากแต่เห็นกายที่มันกลัวเนี่ยมันง่ายกว่าอาจารย์พรหมวังโสเนี่ยท่านเป็นท่านเป็นพระชาวอังกฤษที่ไปสอนธรรมที่ออสเตรเลียท่านเคยเล่าว่าวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งแกป่วยนะไม่ได้ป่วยด้วยโรคอะไรนะแต่แกมีความวิตกกังวลมากวิตกกังวลจนล้มป่วยนะต้องนอนเลยนะนะ ทำอะไรไม่ได้เลยโชคดีที่แฟนแฟนหนุ่มนี่แกคอยช่วยเหลือต่างๆช่วยทําความสะอาดบ้านช่วยทําครัวล้างจานช่วยดูแลแล้วก็ดูแลตัวเธอด้วยเธอไม่มีโรคอะไรนะแต่ว่ามีความวิตกกังวลสูงแล้วก็มีญาติแนะนําให้โทรมาหาอาจารย์พรหมเธอก็เล่าเนี่ยว่ามีอาการอย่างนี้อย่างนี้ยอาจารย์พรหมก็ถามว่า ตอนที่คุณมีความวิตกกังวลเนี่ยรู้สึกตรงส่วนไหนของร่างกายตอนเกิดความวิตกกังวลเนี่ยคุณรู้สึกส่วนไหนตรงส่วนไหนของร่างกายผู้หญิน ง, งนี่งงนะไม่เข้าใจคําถามผู้เราก็า จ, จะงงเหมือนกันอาจารย์พร้มก็เลยตอบว่าเนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายเฉพาะส่วนเฉพาะจุดนะไม่ได้ส่งผลไปเหมือนๆกัน แล้วเวลาคุณตรงเวลาคุณมีความวิตกกังวลเนี่ยคุณรู้สึกตรงตรงร่างกายส่วนไหนจะตอบไม่ได้อาจารย์พบอกว่าตอบได้เมื่อไหร่พบเมื่อไหร่เนี่ยรู้เมื่อไหร่ก็โทรมาหาอาตมาก็แล้วกันสองวันต่อมาแกก็โทรมาบอกว่าเวลามีความวิตกกังวลเนี่ยมันจะรู้สึกปวดตรงลิ้นปี่นะตรงลิ้นปี่อาจารย์พงศ์ก็ถาม ว, าว่ามันเป็นยังไงปวดเนี่ยไอความรู้สึกตรงลิ้นปี่มันเป็นยังไง แกก็งงนะอาจารย์ผมบอกว่าเนี่ยรู้เมื่อไหร่นะก็โทรมาหาตมาแล้วกันมาบอกตา ม, มาสามสี่วันเธอก็โทรมาบอกเนี่ยเธอก็เล่าอาการนะอาการตรงเลี้ยงปีได้ถูกต้องอย่างละเอียดเลยอาจารย์ผมก็เลยแนะนําว่าเนี่ยเวลาคุณมีอาการแบบนี้นะให้นวดนะให้นวดเบาๆด้วยความอ่อนโยนนะถ้ า, าว่านวดไม่ไหวก็ให้แฟนช่วยนวดให้ นะค่อยๆคลึงค่อยๆเ ค, ค, ค, คลนเบาๆด้วยความเมตตาไม่กี่วันต่อมานะเธอก็มาบอกว่าตอนนี้อาการตรงเล่นปีมันหายแล้วอาการปวดหน่วงๆ น, นี่นะมันหายแล้วอาจารย์พรหมก็เลยถามว่าแล้วไอ้ความกังวลล่ะไอ้ความกังวลล่ะเพียงเทนั้นนะดิ่งไปสักพักแล้วก็คงจะปิ้งขึ้นมาได้ ก็เลยบอกว่ามันหายไปแล้วนะไอตอนหายยังไม่รู้ตัวเลยนะจนกระทั่งอาจารย์พรหมทักเนี่ยถึงรู้ว่ามันหายไปนั่นทําไมถึงหายนะก็ตอบง่ายๆก็คือว่าเป็นเพราะวิธีการ อ, อาจารย์พรหมเนี่ยนะมันทําให้เธอนี่มีสตินะมีสติจากสิ่งที่ง่ายก่อนก็คือมีสติรู้กายนะรู้ว่ามันมีอาการ ตรงลิ้นปี๋นะซึ่งสัมพันธ์ความวิตกกังวลพอรู้กายเนี่ยก็จะค่อยๆรู้ใจตามมาแต่มันเป็นการรู้แบบช้าๆและขณะเ ด, ดยียวกันการที่ไปช่วยคลายความความปวดตรงลิ้นปี๋เนี่ยซึ่งเป็นส่วนกายเนี่ยนะมันก็เป็นการที่ทําให้เธอเนีมีสติรู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเป็นอุบายนะพอรู้ พอรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยสติเนี่ยนะไอ้ความวิตกกังวลเนี่ยก็ค่อยคลายไปมันหายไปโดยไม่รู้ตัวนะแต่พออาจารย์ผมทักหรือถามเนี่ยแกก็เลยรู้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยนะมันมันมีจุดอ่อนนะมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่าถ้าเรารู้ทันมันอารมณ์ทุกชนิดนะมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่า เรารู้ทันมนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเรียกว่าพังทลายไปเลยก็ได้และการรู้ทันเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มต้นจากการรู้กายนะมารู้กายก่อนแล้วก็การรู้ใจก็จะตามมาไม่ต้องไปทำอะไรกับอารมณ์นั่นเพียงแค่รู้ทันมันเฉยๆนะที่จริงจะเรียกว่ามันพังทลายไปก็ไม่เชิงนะก็คือว่าพอรู้ทันเนี่ยใจมันก็จะวางมันเองไอ้ที่เคยแบกเคยยึดเอาไว้ มันจะวางไปเองนั่นความทุกข์ในใจเนี่ยนะมันไม่ต้องไปทำอะไรที่ไหนนะเพียงแค่เรารู้จักวางมันลงเนี่ยก็จะช่วยได้ช่วยได้มากแต่ก็ต้องรู้ก่อนนะว่าที่ไปยึดไปแบกเเพราะความไม่รู้ตัวเพราะความหลงนะอย่างที่พูดเมื่อวานหลงหลงเพราะลืมตัวนะจริงๆมันหลงที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือหลงด้วยอยวิชชาแต่ว่านั้นมันใช้เวลานานกว่าจะ กว่าจะรื้อถอนได้ไอ้ความหลงลืมตัวเนี่ยนะมันแก้ได้ง่ายกว่าคือการมีสตินะมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่แล้วพอรู้ตัวแล้วมันวางนะแต่ถ้าวา ง, อ ย, างอย่างแท้จริงก็เพราะมีปัญญามีวิชาถ้ามีปัญญามีวิชามันวา ง, อ ย, า ง, อ, ยางอย่างสิ้นเชิงเลยนะแต่ขณะที่ยังไม่มีวิชายังไม่มีปัญญาถึงขั้นนั้นก็ให้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวก่อน และความรู้ตัวเนี่ยต้องพึ่งพาสติมากนะมีสติปุ๊บมันรู้ตัวพอ ร, รู้ตัวปุ๊มันวางจุดอ่อนของอารมณ์พวกนี้คือมันกลัวการรู้ทันนะแล้วเราถ้ายังรู้ทันมันไม่ได้ก็ามารู้กายนะที่เป็นผลสืบเนื่องจากอารมณ์เ่านั้ น, ก, นก็ลองศึกษาดูนะลองพิจารณาดูนะทดลองจากตัวของเราเองเอาชาเนิ้อก น, นีนะ้เอากลับ